เหมือนป่าทุรีทวนลมพระพุทธภาษิตยโยอั ป, ปะดุทธะนรสัตตสติสุทัต ส, สะโปสสะอนังคณศสัตเตเมวะป พ, พาลังปัจเจติปาปังสุขโมระโชปฏิวาตังวะคิตโตแปลความว่ า, วาผู้ใดประทุสลายบุคคลผู้ไม่ประทุสลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุสลายนั้น เหมือนธุรีละเอียดที่บุคคลปลาขึ้นไปทวนลมย่อมหวนกลับมาอย่างผู้ปลาฉะนั้นอธิบายความตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเว้นจากการประทุสร้ายประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นปรากฏการธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้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 ได้ทีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัรนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาระยากสำหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทางนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นเองการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอัธยาสายของตนให้ประณีตมนุษย์เรา จะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็าตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกมิได้ช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัสประหานกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทําเรื่องความไม่เบียดเบียน ไอฮิ่งซาปรโ ม, มโมธโมและทําเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองจะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมไหนก็ตามถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทําอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึง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 การปลูกฝังให้คนมีธรรมจึงเท่ากับให้มีทุกสิ่งทุกอย่างการขาดแคลนธรรมเท่ากับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อผลอันชั่วร้ายของมันก็คือการประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายการใส่ร้ายหรือทำอันตรายแก่ท่านผู้บริสุทธิ์การกระทำดังนั้นเป็นเรื่องของคนขาดไม่มีใจนักกีฬาและผลของการกระทำเช่นนั้นย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและกัน พระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเหมือนปลาทุเรีทวนลมทุลีย่อมผลกลับมายัางผู้ป่านั้นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะนายพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขาออกสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกําลังเที่ยบบิณฑบาตอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกันนีคือคนชั่วร้าย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 ดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนักแล้วปล่อยไปพระอ่อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่นายพรานหาฟังเสียงไม่คงยุสุนัขให้กัดอยู่นั่นเองพระเห็นพายอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วคนนายพรานโกกะรองบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือเข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นเท้าพระอย่างไม่ปราณี พระอ้อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอาธรรมะอย่างนี้เลยแต่ในพรานหาฝั่งไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนปวดไปหมดสรีระของท่านรู้สึกร้อนประดุดถูกลมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านสวยทุกเวทนาแสนสาหัส จนไม่สามารถคุมสติได้อีวอนหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษ์จดเท้าพวกสุนัขครูกันเข้าไปกัดในโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากอีวอนยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ป่าลงมามันเหลวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มันกัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไป พระเถระสงสัยในศินของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคที่เชตวนารามพระศาสดาตรัส ต, ตอบว่าศินของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตรัสตอบไปว่านายพรานนั้นประทุสล้ายต่อผู้ไม่ประทุสล้ายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้ว ตรัสเล่าเรื่องในอดีตรังนี้ในอดีตการพรานชื่อโกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใคร ย, ยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกําลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังเล่นกันอยู่คิดว่าจะกลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาได้เงินค่าอาหาร เขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั่นลูกนกสาลิกาจับสิทันไรเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรงงูไปพันคอหมอซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนะักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัทนี้นั่นเองพระาศาสดาตรัสเล่าอดีตชีวิตของนายโกกะพูดถึงความพินาศ เพราะประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยอ ป, ปะทุทัสสะนรสัตทุสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานา ม, มาแล้วแต่ต้น